ยถาวาริวาาปุราภริปุเรนติสัรังเอวะเมวยโตตินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปิตังตุมหังคิะเมวะสัมมิาตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสุยะา ติโยวิวานันตุสาภโรภวินาสตุมาเตภวาตวันตรายโยสุกินยุโกภวาปิวันทานสิเลสานิต จังวุฒาปัจจายินอนจตารโรธรรมวัทฐานติอายวนน้อสุขังบาลยุโดรารโดธิโรวันโดปฏิพาณโด โตกาสานตเมธาวีสุข้างสวธิการสติอายุงนตตะวาพลังวันนางสุขังจากปฏิพาณโดติขายุยาสวาโหติยาทายทวงภาวะจตทิภาวตุสาพมังกะลังราคันตุนสาพฏิวตา สามบาบุตานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวุตตาพมังกาลังราคันตุตาเิวตาสามบาธรมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวุตตาพมังกาลังราคันตุตาเิวตา สามบสังคานุภาเวนาสดาโสทีภาวันตุเต